بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจาอัลลอฮได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัปซชตในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้ครับอยู่ในสุลฮุดนะครับวันนี้หนึ่งสสามสี่ห้าห้ายะ อายะที่53ถึงอายะที่57สาสเจ็ดซุลฮุดนะครับ53 54 55 56 57้าห้าสิห้าห้าสิเจาอายะชื่อซุลฮุดเนี่ยฮุดเป็นนบีท่านหนึ่งนะครับอลัลลอฮ์ส่งเมื่อเผยแผ่ ก, กับกลุ่มชนของท่านเองก็คือกลุ่มชนของอาดชื่อกลุ่มชนว่าอาด ในซูหอฮูดเนี่ยนะครับพี่น้องถูกประทานตอนที่ยังไม่อพยพเขาเรียกว่าซูลามาักกิยาเขาถูกประทานก่อนอพยพเรียกว่ามักกิยาถูกประทานหลังจากการอพยพเรียกว่ามาเดเนียลักษณะของซูลมักกิ亚马เดเนียก็จะมีรายละเอียดแล้วก็เนื้อหาที่ต่างกันวันหลังถ้ามีโอกาสก็จะ ค, ค่อยๆทยอยแทกไข่ฟันชื่อว่าสุรพุูธในพี่น้องนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับนยะวีฮูจริงๆนะมีแค่ประมาณ1ิอายะก็คือช่วงที่เรากำลังนำเสนออยู่เนี่ยประมาณอายะที่ห้าสิบถึงอายะที่ห0สิบสุรทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดนาะสุรพุูธเนี่ยร้123อยยี่สิบสามอายะหนึ123่งอยยี่สมอายะ แต่เกี่ยวกับ น, นบีฮุดโดยตรงเนี่ยประมาณอายะที่50ถึงอายะที่60สประมาณสิบอายะแต่ว่าการตั้งชื่อละวันนี้คือซุลฮุดการตั้งชื่อตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นตาฟิกะคือท่านนบีตั้งมไม่ใช่มาประกวดกันแล้วจะเอาตั้งชื่อไหนดีเป็นอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมตั้งชื่อว่าซุลฮุดแต่มีนบีฮุดแค่สิบอายะ มันเป็นแบบนี้นะครับปฏิบัติตามกันมาเป็นตาฟีเกียแปลว่ายัางไงล่ะไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มาถกเถียงน บ, บีปฏิบัติน บ, บีตั้งแบบนี้เราก็ตามทําตามตั้งชื่อแล้วก็เรียกตามนะครับจริงๆผมพูดถึงซุร้อนฮุดนี่ไม่ได้มีโอกาสปูพื้นให้ทราบว่าซุร้อนนี้ข้าวๆเป็นยังไงพี่น้องซุร้อนนี้เนี่ยนะครับถูกประทานหลังจากซุร้อนยูนุส นะที่พี่น้องจบไปแล้วนะครับถูกประทานก่อนการอพยพแปลว่านบีอยู่มักกะอยู่แล้วก็ทําไมเอ่ยทําการเผยแพร่พวกมักกะก็ทําการต่อตา้านนะเนื้อหาของสุรั่วพูดในพี่น้องจะใช้สำนวนที่แรงในการตักเตือนถ้าพี่น้องสังเกตจะมีการพูดถึงการลงโทษแบบนู้นแบบนี้ แล้วทําไมถึงต้องมีประวัตินบีต่างๆเนี่ยเพื่อ ย, ยกตัวอย่างให้เห็นว่าผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออรอดจะได้รับการลงโทษยังไงส่วนนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่เล่าประวัติอย่างเดียวพี่น้องต้อง น, นึกถึงบริบทด้วยเวลาถูกประทานมาแล้วเนี่ยท่านนบีก็ทําไมเอย่ยเผยแพร่ให้ผูกมกักฟังเป็นการเตือนผู้มักว่าถ้ายังฝ่าฝืนอยู่ก็จะถูกอลัลลอฮ์ทำลาย แล้วจะทํายังไงให้โภมาคาฟังแล้วมีความรู้สึกกลัวจะถูกทําลายเพราะอาการฝ่าฝืนก็ยกประวัตินบีต่างๆมายังมีอีกหลายนาบีนะครับที่จบไปเนี่ยเป็นนบีนัวจบไปแล้วพีนน่น้องปฏิเสธนบีนัวเป็นยังไงอะโภมาคาเวลาฟังเกี่ยวกับนบีนัวแล้วก็จะคิดว่าจุดจบเป็นแบบนี้ตอนนี้มาที่นบีฮูดนะผลลัพธ์คล้ายๆกันยังเหลือนบีซอลแล นบีลูดนบีชูอัยและก็นบีมูซาในส่วนที่เหลือของซุรฮันี้นะครับอินชาลอเราก็ทยอยนำเสนอนะหลังจากซุลฮหกฮูดถูกประทานมาแล้วพี่น้องหลังจากนั้นอีกสปีเกิดสงครามบะดัดเกิดขึ้นโอมากาก็เวลาฟังประวัตินบีต่างๆเนยนบีฮูดนบีซอแลนนบีชูอัยนบีูดนบีมูซา แล้วผู้ที่ปฏิเสธนาบีในถุงทำลายพั้มา ก, ก้าก็แล้วมื่อไจะถึงข่าวตัวเองบางคนกับเชื่อบางคนกับท้าทายผู้มา ก, การไะ้รับความอพยศอัปยศและก็สูญเสียในสงครามบะดัตเกิดขึ้นหลังจากที่ซุรา่าูดประทานสี่ปีนั่นคือการลงโทษขอนล้อสงครามบะดัตคือการลงโทษขอลอต่อรดาผู้ที่ตั้งพาคีในในนครมาก้า ต่อไปในเวลาพี่น้องอ่านตับซีตในซุรฮูดเนี่ยนะครับนอกจากทราบประวัติศาสตร์แล้วต้องนึกเผื่อไปว่าซุร้อนี้เวลาถูกประทานโอมาเนี่ยต้องการนําเสนอเนื้อหาตรงนี้ให้ชาวมักกะฟังด้วยต้องจินตนาการได้ว่าถ้าคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับนบีไม่เชื่อนบีแล้วมาฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะรู้สึกยังไงพู้มักกะที่ฝ่าฝืนท่านนบีต่อต้านท่านนบี พอมาฟังเหตุการณ์ของนบีนุ่งกลุ่มชนนบีนุ่ที่ถูกทําลายถูกน้ําท่วมจะรู้สึกยังไงฟังเกี่ยวกับกลุ่มชนอาร์ที่ถูกทําลายจะรู้สึกยังไงกลุ่มชนกองพสัมูรอัสาบุนไอกาหรือว่าฟิร์เอาที่อยู่ตรงข้ามนาบีมูซาฟังแล้วจะรู้สึกยังไงอ่านะครับต้องคิดเผื่อตรงนั้นด้วยนะเพราะว่าผู้ที่ฟังข้ออ่านตรงนี้เนี่ยเป็นผู้ศรัทธา แบบเราในผู้ศรัทธาและก็ผู้ปฏิเสธด้วยเวลากูอ่านสื่อสารเนี่ยสื่อสารทั้งสองฝั่งผู้ศรัทธาและก็ผู้ปฏิเสธในอายะห์ที่ห3บครับอัฐตอ น, นีเราดูอลัลลอตรัสไว้ว่าอาลัลลอเล่านะครับไปฟังว่ากอรูยาฮูดูพวกอาร์เนี่ยนะ กล่าวกับนบีฮูดว่าพวกเขากล่าววา่ายาฮูดูโอฮูดเอ๋ยฮูดก็คือชื่อนบีมายิตนาบิบเ ย, ยตินท่านไม่ได้นำหลักฐานอะไรที่ชัดแจ้งมาว่ามานะนูบิตาริกีอาลีฮะดีนาใบแต่ไม้มวยาวามว่า พูดเอ่ยไม่ได้แปลว่าท่านจะนําหลักฐานที่ชัดแจ้งมานํามาแล้วเราจะทิ้งพระเจ้าที่เรากราบไหว้อันเกาลิกะจากคําพูดของท่านเนี่ยไม่สามารถทําให้เราทิ้งพระเจ้าที่เรากราบไหว้ได้วามานพนุลลากาบีมุกมีนีนแปลว่าเราไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านก็คือเราไม่เชื่อท่าน คำพูดที่นำมาหลักฐานที่นำมาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อเราได้ไม่สามารถทำให้เรานั้นละทิ้งพระเจ้าที่เรากำลังกราบไหว้ได้ท่านจะพูดไงกระพูดไปว่ามาณพนุลละกะบิมุมินีนเราไม่เชื่อท่านอันนี้ใครพูดกับใครพวกอาร์ตพูดกับน บ, บีฮูดจากอายันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นอะไรบ้าง ประการที่หนึ่งนะครับการสื่อสารของน บ, บีฮุดเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานานะน บ, บีฮุดทำหน้าที่ในการเผยแพร่แล้วสารที่ให้ไปไปถึงพวกอารแล้วทำไมไปถึงพวกนี้ไม่สามารถจะมีปฏิกิริยาตอบโต้แบบนี้ได้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่น บ, บีฮุดได้ทาหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับด้วยกับการ คำพูดสอนแล้วนำเสนอแล้วบอกแล้วว่าพระเจ้าคือใครองไรก็แล้วแต่ผู้อาศทำยังไงเอ่ยวามา น, นุบิตาริกีอาลีฮตินาผู้อาศไม่ทิ้งพระเจ้าดีกาบไหวยอยู่แปลว่าอย่างไรครับแปลว่าในสังคมของผู้อาศมีการตั้งภาคีแลวมีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้ว อันที่เป็นนิยัตที่ได้จากจากกุรอานไม่ได้บอกตรงๆแต่การที่พวกอาดบอกว่าเราจะไม่ทิ้งพระเจ้าของเราเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าของพวกอาดกับพระเจ้าที่นบีฮุดนํามาคืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกันมีการตั้งภาคีเกิดขึ้นแล้วในสังคมของพวกอาดนาบีฮุดจะพูดยังไงก็แล้วแต่พระเจ้าที่ได้รับการกล่าวว่าในสังคมนั้น ทำไมเอ่ยจะไม่ได้รับการทอดทิ้งจะอยู่อย่างนั้นต่อไปเพราะว่าพวกอาร์ตเลือกแล้วที่จะเชื่อในพระเจ้าของตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อในบีพูดถอยกลับมามองหนึ่งพี่น้องครับเวลาพูดถึงศาสนาพูดถึงความเชื่อเนี่ยความเชื่อศาสนาจะเป็นการตั้งภาคีไม่ตั้งพาร์คีกันแล้วแต่มีมาทําไมในสังคมมนุษย์พี่น้องครับ ศา ส, สนาเนี่ยเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะใช้ในการก็เลยว่าสร้างกำลังใจก็ได้ความเชื่อนะไม่แต่ประเด็นว่าศาสนานั้นจะจริงจะเท็จนะแต่หมายถึงความเชื่อทั่วไปเนี่ยมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างเช่นเวลาเจาพ่อูกมีการบวงสรวงมีพิธีกรรมมีความเชื่อมีศาสนาบวงสรวงทาไมาละ่ะ สร้างกำลังใจชาวนาชาวสวนก็เพ่อปู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าพอผ่านพิธีกรรมแล้วเป็นขวัญกำลังใจมีการเสียงทายและส่วนมากคำทํานายที่ออกมาจะมีลักษณะที่เป็นมงคลสร้างกำลังใจอันนี้คือประโยชน์ของศาสนามนุษย์นํามาใช้ตรงนี้นอกจากนี้นี่นะครับศาสนายัางใช้เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ ศา ส, สนาเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่กันเป็นสังคมจะไม่มีศาสนาถ้าว่าอยู่คนเดียวติดเกาะ อ, อยู่คนเดียวเนี่ยศา ส, สนาจะยังไม่มีบทบาทแต่ว่าเมื่อมนุษย์เป็นสังคมแล้วมีความเชื่อเกิดขึ้นกลุ่มชนอาตี่น้องครับเป็นสังคมมนุษย์สังคมรแรกที่เกิดขึ้นหลังจากน้ําท่วมโลกหรือว่าถั่ว บ, บางพื้นที่กันแล้วแต่หลังจากเหตุการณ์อบปีน้วแล้วน้ําท่วมเนี่ยมนุษย์ส่วนมากเสียชีวิต แล้วก็เหลือรอดพร้อมกับนบีโน์ประมาณไม่ถึง80คน80คนก็ไม่ได้อยู่กับที่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปมีลูกมีหลานมีประชากรเพิ่มขึ้นรวมตัวกับเป็นสังคมเป็นชุมชนพวกอารประสบความสำเร็จเป็นพวกแรกบนหน้าแผ่นดินมีอาระยธรรมของตัวเองกุ่มชนอื่นก็เริ่มจะก่อร่างสร้างตัวละแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเมือกลุ่มชนอารตคราวนี้พอมีสังคมแล้วเนี่ย สิ่งที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมใช้ความเชื่อควบคุมมีหลายแบบใช้กฎหมายควบคุมด้วยถ้าผิดแบบนี้กฎหมายลงโทษมนุษย์ก็สร้างกฎหมายขึ้นมาแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างพี่น้องไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วจะ อ, อะไรมาควบคุมละ่ะเอาศาสนามาควบคุมเช่นอะไรบ้าง สมมุติได้ฟังพูดโกหกเนี่ยผมเดินไปก็ไปหลอกพี่น้องพี่น้องก็เข้าใจผิดเชื่อที่ผมหลอกแบบเนี้ถ้าเจเอากฎหมายมาเอาผิดเอาผิดยากถ้าไม่ได้หลอกลวงเอาทรัพย์สินเอานู่นเอานี่เนี่ยเอาผิดยากกฎหมายไม่สามารถคุมในรายละเอียดได้แล้ว อ, อะไรมาคุมละ่ะเอาศาสนามาคุมมีนรกมีสวรรค์มีนู่นมีนี่มาคุมมนุษย์อันนี้ไม่ได้พูดยจะไม่แตะประเด็นหน้า ศา ส, สนานั้นจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จตั้งภาคีไม่ตั้งภาคีพูดถึงลักษณะคร่าวๆของศาสนาในสงครามไทยสมัยก่อนไปนอกในสมัยสุขโข ท, ทยัยย้อนกลับไปเนี่ยมีพยายามเปรียบเทียบบริบทจริงให้เห็นภาพนะครับมีการใช้กฎหมายไหมมีนะในขณะเดียวกันก็มีการใช้ความเชื่อด้วยมีการแต่งไตภูมิพระรวงขึ้นมาอธิบายนรกสวรรค์เป็นยังไง ถ้าพี่น้องอยากเห็นนรกสวรรค์ในความเชื่อนะที่เขาเชื่อแบบนั้นพี่น้องไปคลองสิบสี่วัดพืชอุดมมันจะมีเนี่ยกระทะทองแดงต้นยิ้วที่เขาพูดกันเนี่ย<ม>เขาจําลองความเชื่อขึ้นมาประโยชน์คืออะไรอันนี้ไม่ได้ไปแตะความเชื่อขนาะจริงไม่จริงอีประเด็นหนึ่งมองให้เห็นว่าความเชื่อตรงนั้นใช้ในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้คนทําดีอย่าทําชั่วกฎหมายก็มีแต่มันไม่พอใช้ ใช้ความเชื่อเราใช้ศาสนาตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพว่ากลุ่มชนอาร์ตเป็นกลุ่มชนแล้วชื่อว่ากลุ่มชนอาร์ตมีความเชื่อแล้วมีพระเจ้าแล้วมีอาลีฮะพวกอาร์ตเชื่อในพระเจ้าแล้วก็บอกว่านาบีฮู จ, จะพูดยังไงกันแล้วแต่เราจะไม่ทิ้งพระเจ้าของเรา บางคนบอกว่าเอ๊ะคำว่าอารีฮาเนี่ยเป็นเอกพจน์หมายถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าไม่ได้บอกพระเจ้าหลายคนไม่ใช่ถ้าหมายถึงอัลลอฮ์ก็จะเป็นเนื้อเดียวกับที่น บ, บีฮุษธรรมการเผยแผ่จะ ม, มีการต่อต้านพวก อ, อาร์ตไม่เชื่อพ่อพระเจ้าที่กราบไหว้ไม่ใช่อัลลอฮ์นักวิชาการยกมาว่าเป็นรูปปัน้นเป็นชเวต ชาวเวทจะเป็นหน้าตาอย่างไงชื่ออะไรก็ว่าเราอะลัมนะครับมีข้อมูลบ้างมีนู่นมีนี่แต่ว่ายังไม่ใช่เนื้อหาในอายะห์กุรอานที่เราพูดในวันนี้อา้าวกลับมาดูก่อนอันนี้ต้องการมองสร้างภาพให้พี่น้องเห็นนะครับว่าสังคมเนี่ยเวลามีคนเยอะๆแล้วทําไมมันถึงมีความเชื่อมีศาสนาขึ้นมาบางทีความเชื่อเหล่านั้นก็ถูกคนในสังคมตั้งขึ้นมาทําไมล่ะเพราะมันมีประโยชน์อย่างที่ว่าเมื่อกี้ สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยควบคุมพฤติกรรมของสังคมแต่นะว่าในอิสลามเนี่ยแม้ว่าความเชื่อแบบนั้นจะใช้ประโยชน์ได้แต่ในอิสลามเนี่ยไม่ยอมรับความเชื่อแบบนั้นเพราะถือว่าเป็นการตั้งภาคีให้สิทธิ์ของความเป็นเจ้ากับสิ่งอื่นที่ไม่เช่ออัลลอฮ์อ้าวถ้าว่าแบบนั้นแล้วมนุษย์จะอยู่ยังไงไม่มีศาสนาควบคุมไม่มีความเชื่อควบคุมคนก็จะละเมิดไม่มีตัวไหนควบคุมพฤติกรรม อัลลอฮ์ส่งนบีมาไงอัลลอ์ไม่ได้บอกให้มนุษยออ์ไม่ต้องมีความเชื่อหรือว่ามนุษย์ทำไมสามารถแต่งความเชื่อสร้างศาสนาขึ้นมาได้อย่างอิสระไม่ใช่อัลลอ์ส่งบรรดานับีมาให้วะฮีมาให้ท่านนาบีต่างๆทำการเผยแร่ฉะนั้นถ้ามองในแง่ความอาีตราแล้ว บรรดานัลีต่างๆเนี่ยถูกส่งลงมาพี่น้องนอกจากนำศาสนามาให้แล้วยังตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นศาสนาเป็นความเชื่อมันกันแต่เป็นของแท้เพราะมาจากพระผู้เป็นเจ้าอุฮีลงมาอัลลอ์ส่งมาไม่ได้ตั้งขึ้นเองพี่น้องเข้าใจนะนะครับถ้าคือถ้าปล่อยไปช่วงระยะเวลาหนึ่งสังคมมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องมีความเชื่อมีศาสนาเพราะว่า มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือทางจิตใจแบบหนึ่งของสังคมต้องมีจะแต่งจะตั้งจะยังไงก็แล้วแต่ต้องมีอัลลอฮ์บอกว่าจะส่งบรรดานับีมาทำการเผยแพร่ให้มีความเชื่อให้มีศาสนาแต่ไม่ต้องคิดเองเป็นวาฮีมาจากอัลลอพ์คนี้บอกว่าประมาณนะฮูดแลกา บ, บิมุมมีนีนอไรก็แล้วแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาผ่านท่านาบพูดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ศรัทธา ในอายะห์ที่สบี่ครับอัลลอ์ตรัสไว้ว่าอินนากูลูนะอัลล์ตรัสแต่เล่าให้ฟังว่าพวกนี้กล่าวว่าอย่างไงอินนากูลูอินละตารากะบะดูอาลิฮัตนาบิซูอินคนเหล่านี้บอกว่าเราจะไม่พูดอะไรเว้นเแต่พระเจ้าบางองค์ของเรานั้นทำไมเอ่ยจะทําให้นบีฮูตเนี่ยประสบกับสิ่งไม่ดี ยะตายะติรบิมานาฮิซอบะทำให้ประสบบิซูอินด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีคูนบีนวว่าท่นบีไชนบีนัวมาฟนะครับนบีฮุดบอกนบีฮุดว่าถ้ายังเผยแพร่อย่างนี้ต่อไปสิ่งที่จะประสบกับท่านก็คือพระเจ้าบางองค์ที่เรากล่าวไหวจะทําให้ท่านเจอกับสิ่งที่ไม่ดีจะสาบแช่งในนี้เขาใช้คําว่าเข้าสิงก็ เอาให้เข้าใจกันก็คือว่าพระเจ้าที่เรากล่าวไหว้อยู่เนี่ยบางองค์จะดนบรรดาในท่านประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวจะที่บายให้ฟังนะครับกาละอินนีอัชอินนีอุชฮิดุลอฮาท่านนาบีพูดบอกว่าแน่แท้ฉันนั้นขอปฏิญาณต่อละว่าฮะดูอันนีบริอุมมิมมาตุชริกูนว่าตัวฉันนี้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่พระท่านตั้งภาคีนี่คือความหมายก้าว ข, ของอายะที่54จากอยายันนี้เราเห็นภาพของสังคมอาร์ตเพิ่มขึ้นเมื่อกี้เราทราบว่าเป็นสังคมที่มีพระเจ้าแต่เป็นเจ้าอื่นไม่ใช่อัลลอฮ์มีการตั้งภาคีในอายะที่ห3สในอายะที่ห4เราเห็นเพิ่มว่าพระเจ้าที่ผู้อาร์ตทำการกราบไหว้นั้น มีมากกว่าหนึ่งองค์เพราะพุทธี้บอกว่าอินนักูลูอิลละตารากาบาดูอาลีฮัตินาบิซูอินบางส่วนของพระเจ้าของเรามีหลายองค์กี่องค์วันเราอะลัมแต่ว่าการที่นบีนุ่งทำแบบนี้นบีฮุตทําแบบนี้เนี่ยพระเจ้าบางองค์จะลงโทษน บ, บีฮูตถ้ามองแบบผิวเผินก็มองข้ามไปแต่ถ้ามองให้ลึกทางสังคมนะครับ มีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์และพระเจ้าแต่ละองค์พี่น้องมีหน้าที่ของตัวเองถ้าพี่น้องสังเกตในบางความเชื่อที่มีพระเจ้าหลายองค์เนี่ยพระเจ้าบางองค์ทําหน้าที่ในการลงโทษมนุษย์มีไหมมีพระเจ้าบางองค์ทําหน้าที่ในการสร้างมนุษย์คนละองค์อนาแบ่งหน้าที่กันทํามีไหมมีพระเจ้าบางองค์ก็ทําให้มนุษย์มีลูกมีหลาน พระเจ้าบางองค์ก็อํานวยความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรฉะนั้นต้องการอะไรก็ไปกราบไหว้องค์นั้นเช่นต้องการลูกก็ไปกราบไหว้องค์นี้ต้องการให้พาะปลูกดีได้ผลผลิตดีก็ไปกราบไหว้องค์นี้พระเจ้าของพวอาร์ตแบ่งหน้าที่กันแล้วทําไมล่ะเวลาพูดถึงการลงโทษคนที่ฝา่าฝืนเนี่ยนบีฮุษถูกมองว่าฝา่าฝืนกฎของสังคมไม่ใช่พระเจ้าทุกอ ง, องค์มาลุมนบีฮูษต์นะมีพระเจ้าบางองค์ซึ่ง ทำหน้าที่ตรงนี้ในการลงโทษจะมาลงโทษในมีหูนนี่คือคำพูดของของพวกอาศท้อนความเชื่อสะท้อนสภาพในสังคมของพวกอาออกมาคราวนี้ศา ส, สนาเนี่ยพี่น้องบางคนตั้งคำถามอันนี้ผมพยายามพูดให้เห็นภาพในสังคมเป็นออกแนวแนวทางสังคมนิดๆนะครับ มันมีความเชื่อแล้วก็มีศัยศาสตร์นะบางคนมองว่าความเชื่อศาสนากับศัยศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่เล่นลับเหนือธรรมชาติแต่ว่าถ้ามองให้ดีเนี่ยมันต่างกันความเชื่อหรือว่าศาสนาพี่น้องครับมีขึ้นมาเพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรมมนุษย์มีนรกบอกว่าถ้าทำไม่ดีตกนรกมีสวรรค์บอกว่าทําดีจะได้แบบนี้ทําหน้าที่ในการควบคุมนั่นคือความเชื่อหรือว่าศาสนา แต่ว่าถ้าเป็นสยศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหมือนกันแต่ไม่ได้ควบคุมมนุษย์มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์ผมไม่ชอบลูกสาวบ้านนี้เขาไม่ชอบผมทำไงละ่ะผมเอาอำนาจตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ทำน้ามันพายไปดีใซอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่ามีศัตรูทำยังไงละ่ะเสกควายกระทิงอะไรก็แล้วแต่ทำร้ายศัตรูหรือว่าจะทาต่อสู้ทางสงคราม สักยันให้ความคงกระพันเอาสิ่งที่เหนือธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ตรงนี้คือศาสนาเอ้ยคือสยศาสตร์จะเป็นมวลขามนดํากันแล้วแต่นะครับนี่คือลักษณะความเชื่อของมนุษย์มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติบางทีก็เชื่อฟังในรูปของความเชื่อของศาสนาของพระเจ้าบางทีก็นําสิ่งที่เหนือธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เช่นเครื่องรางของขังสยศาสตร์ สายขาวสายดาทําดีทําไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นี่คือมนุษย์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะเห็นได้ว่าถ้าไปลักษณะแบบนี้ต่อไปพี่น้องมนุษย์ก็จะอธิบายสิ่งที่เหนือธรรมชาติตามความต้องการของตัวเองเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าต่างๆเนี่ยพี่น้องครับมีลักษณะคล้ายมนุษย์เพราะว่ามนุษย์คิดว่าพระเจ้าน่าจะเป็นแบบนี้ คนเราใช้มือทํานู่นทํานี่พระเจ้าจะมีอํานาจมากกว่ามนุษย์ก็น่าจะมีมือมากกว่าสองมือต้องเหนือกว่ามนุษย์เหนือยังไงล่ะมีอวัยวะที่เพิ่มขึ้นมามีมือมากกว่าอาจจะมีหน้ามากกว่าอันนี้เป็นสะท้อนเห็นว่าความเชื่อเหล่านี้มีมาจากจากมนุษย์ถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปพี่น้องพระเจ้าก็จะผุดขึ้นผุดขึ้น ศนะาสนาก็จะบางครั้งถูกดึงออกมาใช้ประโยชน์การเป็นไสยศาสตร์ไปทำยังไงล่ะอลรอถึงส่งนบีมาพอผ่านไปยุคหนึ่งความเชื่อเหล่านี้มันถูกเพาะบมใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นผิดเพี้ยนหลุดไปเอาส่งนบีมาทำไม่เที่ยงตรงปล่อยไปภาคหนึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าสังคมมนุษย์มันมีพลวัตมันไม่จบต้องการนูน่นต้องการนี่วิธีปกติมันไม่ได้ทำยังไง อยากชนะวิธีปกติไม่ได้ทํำยังไงก็ใช้วิธีที่เหนือธรรมชาติก็คือไสยศาสตร์ความเชื่อก็จะหลุดก็จะเพี้ยนทํำยังไงก็ส่งนบีมาปล่อยไปสักพักหนึ่งความต้องการมนุษย์มากขึ้นอยากขยายดินแดนอยากชนะนูชนะนี่ทํำยังไงให้ทหารมีกําลังใจอา้าวมีการบวงสวรวงเทพเจ้าอา้าวหลุดไปละกลายเป็นออกแนวไสยศาสตร์เอาพระเจ้ามาใช้ประโยชน์หลุดหลุดไปอา้อาวอัลลอฮ์ส่งนบีมาว่าตจักรมันก็เป็นแบบนี้อ่า นะครับอันนี้ชี้เห็นว่าความเชื่อกับศิลปศาสตร์เนี่ยมันต่างกันความเชื่อศาสนาใช้ในการควบคุมมนุษย์นี่พูดพูดถึงทั่วไปนะไม่ได้โจมตีว่าอันไหนจริงไม่จริงแต่ถ้าเป็นศิลปศาสตร์ไม่ใช่ควบคุมมนุษย์แต่มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์เพื่อเป้าหมายของตัวเองสายขาวก็ใช้ดีหน่อยเช่นปกป้องบ้านเมืองสมมุติสายดำก็ชั่วหน่อยเช่นทำเสน่ยาแฝดอะไรกันแล้วแต่แต่ท่านหลายทั้งควรเลยพี่น้อง ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากวาฮีไม่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์ผลิตขึ้นมาในสังคมของตัวเองในอายะห์นี้เน่ยชัดเจนเลยพี่น้องพวกอาต์เอาพระเจ้าของตัวเองมาใช้ประโยชน์แลว้วใช่ยังไงครับที่บอกว่าเอาตราราบิซูอินเนี่ยเอาพระเจ้าของตัวเองมาขู่ท่านนบียูธขู่ทาแบบนี้เนี่ยมันฝืนสังคม คนอื่นเขาไม่ทํากันมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าทําแบบนี้คุณจะได้รับการลงโทษจากเทพเจ้าสําหรับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยคำพูดคนที่ศรัทธาในเทพเจ้าเนี่ยคำพูดแบบนี้ควบคุมพฤติกรรมได้พี่น้องถ้าไม่บวงสวงจะถูกลงโทษภัยพิบัติจะเกิดขึ้นคนก็บวงสวงอันนี้มีการใช้ประโยชน์จาก เทพเจ้าแล้วนะครับก็ชี้เห็นว่าความเชื่อของพวกอาร์ตเนี่ยเป็นศาสนาด้วยแล้วก็เป็นกึ่งไสยศาสตร์ด้วยเพราะนำความสิ่งเหนือธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แล้วตอนนี้ใช้ในการคุมขู่ไฟตรงข้ามคือท่านเบีฮุดอลัยฮิสซาลาม์พอพวกอาร์ตพูดแบบนี้แล้วนบีฮุดทำยังไงนบีฮุดบอกว่าก้ลเขาก่าวว่าคือนบีฮุดก่าวอินนีอุชฮิดุลลอฮ ฉันเนี่ยทําไมเอ่ยให้อลัลลอฮฺเป็นพยานเอาเอาลอลลอฮฺมายืนยันเลยสาบานต่อลอปฏิญาณต่อลอ ว, ว่าอย่างไงวะชาดู <c oughs> แล้วพวกท่านก็เป็นพยานด้วยพระเจ้าของฉันเนีเป็นพยานอาลอลลอฮฺเป็นพยานบรรดาเมริกาเป็นพยานบนหน้าชันฟ้าวัชาดูแล้วพวกท่านที่พูดแบบนี้ก็เป็นพยานด้วยนะมนุษย์เป็นพยานบนหน้าแผ่นดิน อันนี้แบริอุมมิมาตุชริกูลตัวฉันนี้บริสุทธิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระท่านตั้งภาคีขึ้นมาสิ่งที่ท่านยกมาเป็นพระเจ้าเนี่ยที่บอกพระเจ้าที่จะไม่ทิ้งเนี่ยฉันก็ไม่เกี่ยวนะแล้วพระเจ้าที่พวกท่านบอกว่าพระเจ้าบางองค์จะมาลงโทษฉันให้ฉันประสบกับความไม่ดีอินนีแบริอุมมิมาตุชฉลกูลสิ่งเหล่านั้นฉันไม่มีความเกี่ยวข้อง ในดิสทนนบีเนี่ยพูดถึงการเป็นพยานกันพี่น้องบรรดาไมลัยการเป็นพยานบนอาชันฟ้าทําดีทําไม่ดีไมลัยการจดบันทึกอัลลอฮ์ก็ออกเป็นพยานดิสทันนบีพูดคุตตาบะสุดท้ายเนี่ยพี่น้องคุตาตาบดุลวิดาเนี่ยนานาบีบอกว่ า, วาอัลลอฮ์เน่ยเป็นพยานสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยฉันเผยแท้นะนะคนในวันนี้ได้ยินหมดแลว้วให้อัลลอฮ์เป็นพยานดนนบีกล่าวสามครั้งนะครับในขณะเดียวกัน มนุษย์ก็เป็นพยานด้วยบนหน้าแผ่นดินคนที่เราเห็นว่าเป็นคนดีพี่น้องไปละหมาดประจําเห็นพฤติกรรมมนุษย์ก็จะเป็นพยานในวังกิ亚马ว่าคนคนนี้ดีเป็นพยานบนหน้าแผ่นดินด้วยคนดีคนไม่ดีเนี่ยมนุษย์เป็นพยานจะเข้าใจผิดจะมอไม่ออกยังไงกันแล้วแต่วังกิ亚马อัลลอฮ์สอบสวนอีกครั้งหนึงท่านอบีฮูดใช้อัลลอฮ์เป็นพยานด้วยให้อัลลอฮ์โปรตเป็นพยาน พูดว่าวเออเล่าเป็นพยานไมเหมาะสมขอให้เอลเล่าเป็นพยานแล้วก็พวกมุชริมมันจะพวกมุชริกพวกอารเป็นพยานด้วยว่าที่พูดมาเนี่ยพระเจ้านู่นพระเจ้านี่ฉันไม่เกี่ยวข้องเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาคีที่พรท่านแต่งขึ้นมาให้เป็นศาสนาควบคุมพฤติกรรมมนุษย์หรือว่าเป็นสายศาสตร์ที่พรท่นใช้ประโยชน์จากสิ่งเหนือธรรมชาติจะมาทําลายฉันเนี่ย ทำให้ฉันประสบกับสิ่งไม่ดีไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่เป็นเชื่อเป็นภาคีเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ฉันโดยสุดไม่เกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บรรดา น, นัาบี๊ยแลหลายท่านเนี่ยคำพูดแบบนี้อันนีบริอุมินมาตุชริกูลเนี่ยไม่ใช่นบีฮูดพูดอย่างเดียวนะนบีบรอ์ฮีมก็พูดนบีและหลายท่านก็พูดเพราะบรรดา น, นับีเนี่ยเอาเตาะทีดมามาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียว ดังนั้นการตั้งภาคีพระเจ้าอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงไม่มีความเกี่ยวนำเตหิตมาจะไปเกี่ยวกับชิริกได้ไงไม่เกี่ยวข้องน บ, บีฮุดประกาศแบบนั้นในอายะห์ที่ห้าสิบห้าครับอัลลอฮฺตรัสว่ามินดูนีฮีฟากีดูนีจะมีอันซุมมาลาตุมซีรูนนบีฮุดบอกว่า พาคีอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะดังนั้นน บ, บีเ บ, บีฮุดเนี่ยไม่เกี่ยวกับพระเจ้ามาเกี่ยวกับอะไรนะดังนั้นฟากีดูนีพวกท่านทั้งหมดฟากีดูนีจะมีอันพวกท่านทั้งหมดจงวางแผนเถิดทํำร้ายฉันเถิดซุมมลาตุมซีรูนแล้วพวกท่านก็จะให้อย่าให้ฉันต้องรอคอเลยอันนี้ไม่ใช่ท้าทายบอกว่ามาต่อยกันแต่ต้องการบอกว่าการที่พวกอาร์ คูน บ, บีฮุดว่าจะมีพระเจ้าบางองค์มาลงโทษน บ, บีฮุดเนี่ยน บ, บีฮุดบอกว่าฟั ก, กีฟั ก, กีดูนีจะมีอันพวกท่านทั้งหมดพวกท่านด้วยแล้วก็พระเจ้าของพวกท่านที่อ้าเมื่อกี้ด้วยถ้ามีอำนาจจริงสามารถทําให้คนประสบกับสิ่งที่ดีประสบประสบกับสิ่งที่ไม่ดีจริงเนี่ยก็ให้ทําตามที่พูดฟั ก, กีดูนีทําตามแผนที่วางไว้ ซุมมาลาตุงซีรูนอย่าให้ฉันต้องทำไมเอ่ยจริงๆตุงซีรูนีนะครับอย่าให้ฉันต้องรอคอยเลยนบีฮูดปฏิเสธด้วยว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งบาคีพระเจ้าที่ยกมาอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าพระเจ้าเหล่านั้นจะมีอำนาจให้คุณให้โทษได้ถ้ามีคุณมีโทษจริงก็ ฟากีดูนีจะมีอันทำให้มันเกิดกับฉันวางแผนให้มันเกิดกับฉันอยู่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิญกับกับอะไรเอ่ยกับบรรดาภาคีต่างๆหลังจากนั้นครับนาบีพูดกล่าวว่าอินนีตะวักันตูแท้จริงฉันนี้ได้ทำการมอบหมายอลัลลอฮ ต่อพระเจ้าของฉันต่ออัลลอฮ์ซึ่งทำไมอัลลอฮ์เป็นใครครับรอบบีเป็นพระเจ้าของฉันว่ารบบีกุ้มแล้วก็เป็นพระเจ้าของพวกท่านด้วยเดี๋ยวแปลความหมายก่อนแล้วค่อยมาทํสิีธมามินดาบาตินไม่มีสัตว์ใดสิ่งมีชีวิตใดอิลลัฮฺวะอาคิดุลบินาสุยติฮาเว้นเสียแต่พระองค์นั้นจะควบคุมมัน อาคือรุนนาสิยะติฮาเนี่ยโดยความหมายแปลว่าควบคุมถ้าแปลตรงตัวแปลว่าจับนาสิยะคือเวลาขี่ม้าเนี่ยมันจะมีอะไรแหละขนข้างหน้าเนี่ยเวลาดึงขนเนี่ยมันจะควบคุมม้าได้ดึงขนข้างหน้าเนี่ยไม่ให้ไปขวาไปซ้ายเป็นสัมนวนเปรียบเทียบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรับมาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยอลล็อคอยู่ภายใต้การควบคุมของอลล็อคนะอยากอธิบายความหมายฟัง อินนรับบีอัลาฮิซิรอติ ม, มุสตากิลมแน่แท้พระเจ้าของฉันนั้นอยู่บนทางนำอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงน บ, บีฮุดปฏิเสธภาคีนะคนเหล่านั้นบอกว่า๋ยวพระเจ้าเทพเจ้าจะมาลงโทษน บ, บีฮุดบอกว่าถ้ามีอำนาจจริงก็ให้ทำฟา ก, กีดูนีจะมีอันให้ทามาพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าองเดียวพระเจ้าท่วาทั้งหมดเนี่ย พวกท่านด้วยก็ให้ทำมันละกันถ้าให้คุณให้โทษได้นบีฮุดไม่กลัวเพราะว่าอินนีตะวั ก, กันตัวอัลลอฮ์นบีฮุดทําการว่าหมายต่ออัลลอฮถ้าอัลลอฮประสงค์จะให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับนบีฮุดมันก็เกิดแต่ไม่ใช่เพราะพระเจ้าเหล่านั้นเป็นเพราะอัลลอฮอนุมัติให้มันเกิดหรือว่าถ้าอัลลอฮให้การคุ้มครองนบีฮุดก็จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทําไมเอ่ยมีอํานาจใดๆแต่ว่าอัลลอฮ์ให้การปกป้องนี่คือการมอบหมายตะวะดกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นรบบีเป็นพระเจ้าของฉันว่ารับบีกุ้งแล้วก็เป็นพระเจ้าของพวกท่านด้วยพวกท่านเชื่อในพระเจ้าเหล่านั้นใช่ไหมบรรดาจเจวิตบรรดารูปปัน้นนะฉันเชื่อในอัลลอฮ์ดังนั้น การตะวะ ก, กันฉันจะไม่ตะวะ ก, กันในสิ่งที่พวกท่านเชื่อเพราะทําไมละ่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าฉันจะตะวะ ก, กันมอบหมายตนต่อต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าของฉันยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของฉันอย่างเดียววรอบบีกุ้มแล้วก็เป็นพระเจ้าของพวกท่านด้วยต่อให้พวกท่านปฏิเสธไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไม่เชื่อในฉัน วงเล็บซึ่งเป็นศาสนาถูกขอร้องไม่เชื่อในฉันวงเล็บไม่เชื่อในวาฮีที่อัลลอฮ์ส่งมาผ่านฉันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้ทําให้ความจริงเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือคนท่านก็ยังเป็นบ่าวขอร้องอยู่เป็นบ่าวที่ไม่ดีไม่ได้แปลว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วจะเป็นบ่าวขอร้องแล้วคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็จะพ้นจากอัลลอฮ์ นวันียรมอาอล้อลงโทษไม่ได้เพราะว่าไม่ศรัทธาต่ออล้ออันนั้นไม่ใช่นะความจริงก็คือทั้งหมดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสิ่งถูกสร้างมรรครลกทั้งหมดเป็นบ่าวขออล้อสิ่งนั้นอาจจะมีสติปัญญาก็ได้เช่นมนุษย์เชื่ออล้อก็เป็นบ่าวขออล้อไม่เชื่ออล้อก็ยังเป็นบ่าวขออล้อหรือว่าสิ่งถูกสร้างเหล่านั้นอาจจะไม่มีสติปัญญา เป็นก้อนหินเป็นก้อนดินแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างให้มันเป็นแบบไหนมันก็เชื่อฟังเป็นไปตามที่อัลลอฮ์บัญชาใช้ดินให้มีลักษณะแบบนี้มันก็มีแบบนี้แหละจนถึงวันเยามะบางทีอัลลอฮ์ก็สั่งให้มันทําหน้าที่อื่นเช่นในนะบีนัวให้ดินแยกให้น้ําพุ่งขึ้นมาน้ําจะแห้งอัลลอฮ์ก็สั่งดินให้ดูดน้ําลงไปดินมันก็ทําตามเหมือนกับท้องฟ้าพี่น้อง อลลอยฝนลงมามันก็ลงมาให้มันกักฝนมันกา็กาักฝนอันนี้คําสั่งแบบพิเศษเฉพาะกิจคาสั่งทั่วไปให้มันเป็นอยู่แบบนั้นให้มันลอยโดยไม่มีเสามันก็เป็นแบบนั้นเราจะสมัยน บ, บีอาดัมเราไปนอกจนถึงสมัยที่เรามีชีวิตอยู่พองฟ้าแผ่นดินมรคลุกที่ไม่มีสติปัญญานาก้อนหินอะไรแบบนี้ยังคงเชื่อฟังคําสั่งของอลลอยเป็น แบบที่อัลลอฮฺบัญชาให้มันเป็นยังเหมือนเดิมฉะนั้นมนุษย์ถึงสามารถใช้ชีวิตได้ถ้าวันนี้มะขลุกที่ไม่มีสติปัญญาพี่น้องมันไม่เชื่อคาฝังของอัลลอฮฺนะเช่นดินปกติมันอยู่แบบนี้แล้ววันนี้มันไม่เป็นแบบนี้แหละมันก็เด้งขึ้นกันเด้งลงเราจะอยู่ยังไงฟ้าที่อยู่ข้างบนอัลลอฮ์สั่งให้บัญชาเป็นแบบนั้นวันนี้ไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วพลิกข้นมาดินอยู่ข้างบนฟ้าอยู่ข้างล่างเราจะอยู่ยังไงแต่มันไม่เป็นแบบนั้น พออัลลอฮ์บัญชาให้แล้วมันก็ต่ออาดเชื่อฟังมะขลุกเป็นบาฮ์ฮอลอัล์หมดจะมีสติปัญญาไม่มีสติปัญญาเป็นบ่าฮ์ฮอลอัล์เช่นเดียวกับพวกอาดต่อให้ปฏิเสธไม่เชื่ออัลลอฮ์ยกพระเจ้าอื่นมาเป็นพระเจ้าแทนที่อัลลอฮ์แต่ว่าอัลลอฮ์ก็ยังเป็นวารอบบิคุ้มยังเป็นพระเจ้าของพวกท่านอยู่อันนี้คือบอกว่าใครเป็นเจ้าเป็นต่อเหต นอกจากนี้อธิบายต่อไปด้วยอัลลอฮ์ไม่จะเป็นแค่เจ้าอย่างเดียวนะวามินดา บ, บตินอินลาฮวะอาคีรุนบีนาซุยะติฮาดาบบดับบา้บบาจริงแปลว่าคาร น, นะดาบบา้าบางคนแปลว่าสัตว์เลื้อยคานบางคนแปลว่าปสัสสตวะบางคนแปลว่าสัตว์ทั้งหมดมนุษย์บางคนแปลว่าสิ่งมีชีวิตอะไรกันแล้วแต่ที่มันอยู่บนหน้าแผ่นดินที่มันมีชีวิตเนี่ยทําไมเอ่ยมันได้ไม่ได้มีอยู่โดยอิสระอะไรของมันนะ แต่ว่าอิลลาหัวอาคิดุนบินาศยติฮาแต่อลัลลอฮ์ทรงมีอํานาจเหนือพวกมันเช่นให้พวกมันเกิดที่อลัลลอฮ์ให้เกิดเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์นะแมงวันแมงปองอลัลลอฮ์ให้เกิดมันนะอยู่ภายใต้เขาเรียก ว, ว่าอยู่ภายใต้อํานาจของอลัลลอฮ์เช่นเดียวกันเวลาให้ตายไม่ใช่แค่มนุษย์ที่อลัลลอฮ์เก็บชีวิตนาะจิงจกจิงหลีดเสียชีวิตไม่ได้เสียโดยบังเอิญ แต่เสียโดยการกําหนดของอัลลอฮ์มีอญญายันของมันเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาสัตว์ทั่วไปหรือว่ามะขลุกที่ไม่มีชีวิตไม่มีสติปัญญาเช่นบ้านตึกมันจะเกิดมันจะพังเนี่ยพี่น้องก็อยู่ภายใต้กอดอกรดัดการกําหนดของอัลลอฮ์สำนวนที่ว่าผู้อาคีดุนบินาชิติฮาคืออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ควบคุมมันควบคุมด้วยกับด้วยกับกอดอกรดัด นั่นคือหลักศรัทธาข้อที่หกอัลลอฮ์กำหนดมันเช่นเดียวกันตรงนี้บางคนบอกว่าเป็นเตลฮิตอรบูบีอาอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นเจ้าอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ยังควบคุมอํานวยการดูแลให้เป็นให้ไปทุกสรรพสิ่งถ้าเป็นความเชื่อของพระเจ้าหลายองค์เนี่ยพระเจ้าแบ่งหน้าที่กันทําเหมือนพระเจ้าของพวกอาดมีพระเจ้าบางองค์ทําหน้าที่ในการลงโทษพวกอาดบอกว่าจะเอามาลงโทษนบีฮุด มีพระเจ้าหลายองค์แบ่งหน้าที่กันทําแต่ว่าสําหรับอิสลามแล้วพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วหน้าที่เหล่านั้นก็อัลลอฮ์เป็นคนบัญชาให้มันเกิดขึ้นจะเกิดจะตายก็อัลลอฮ์จะมีลูกไม่มีลูกก็อัลลอฮ์จะพ่อปูขึ้นไม่ขึ้นก็อัลลอฮ์นี่คือความหมายของคำ ว, ะาว่าเตหีตพระเจ้ามีองค์เดียวดังนั้นผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยหลังที่จัดจะเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเคยคิดว่าตะกอนมามีอํานาจมันห้อยอยู่ที่เอวเนี่ยพี่น้อง ตะกอนคุณพ่อคูไว้ห้อยที่เอวมา20ปีคุ้มครองมาตลอดสมมุตินะครับไม่ได้ดูถูกความเชื่อแต่พอเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราจะทราบว่าไอ้ที่ห้อยที่เอวมา20ปีไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้อัลลอฮ์ให้ความคุ้มครองดังนั้นเราจึงสามารถถอดออกได้เพราะอํานาจไม่ได้มาจากวัตถุมาจากอัลลอฮ์มุสลิมจึงไม่มีไอ้ประเภท ของขังเนี่ยติดกับตัวเพราะทาไมละ่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นภาคีเป็นการตั้งภาคีมันไม่มีอํานาจอัลลอฮ์มีอํานาจดังนั้นทำไงละ่ะดังนั้นก็ถอดออกไม่มีประโยชน์ที่จะเกี่ยวข้องแต่มีมาเนี่ยไอเครื่องห้อยตะกงตะกุดบางคนเชื่อว่าให้อํานาจให้คุณให้โทษให้ความคุ้มครองแต่ถ้ามาเป็นมุสลิมแล้วความเชื่อเปลี่ยนไปถอดได้ไหมถอดได้เพราะว่าอะไรละ่ะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอํานาจ อัลลอฮ์มีอำนาจในการคุ้มครองและอัลลอฮ์จะทำหมดไหวไหมเนี่ยคุ้มครองฉันด้วยคุ้มครองพี่น้องฉันด้วยแล้วก็อยากฉันอยู่ตามประเทศแล้วก็สิ่งอื่นสิ่งนูน่นสิ่งนี้เต็มไปหมดอำนาจของอัลลอฮ์เนี่ยอาคิดุลบินาสิยติฮาควบคุมทั้งหมดนี่คือความสมบูรณ์ของของพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมศรัทธาแบบนี้ความเชื่ออื่นอาจจะบอกว่ามันเยอะไปผู้ทำลายก็องคหนึ่งผู้สร้างก็องหนึงผู้ดูแลก็องคหนึ่ง ถ้าอธิบายแบบนั้นในทางอิสลามนะถือว่าสิ่งเหล่านั้นยังเป็นเจ้าไม่ได้เพราะมีข้อจํากัดเป็นข้อบกพร่องพอบกพร่องแล้วเป็นพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าต้องสมบูรณ์แบบนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์ อ, องเดียวสร้างด้วยดูแลด้วยนี่แหละคือเตาฮีตแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์จะแบ่งให้วัตถุแบ่งให้หนู่นให้นี่ไม่มีกลับไปที่อัลลอฮ์หมดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ก็ทิ้งไม่ได้ จะบูชานน่นบูชานี่จําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเจ้ามีองค์เดียวเทพเจ้าท้องถิ่นที่เคยเชื่อสมัยก่อนความเชื่อที่เคยเชื่อมาก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปเพราะท้องถิ่นนั้นอัลลอฮ์ก็ดูแลได้นะดูแลระดับท้องถิ่นดูแลระดับโลกดูแลระดับจักรวาลก็อยู่ภายใต้อานาจของอัลลอฮ์อันนี้คือลักษณะหลักศรัทธาแบบอิสลามส่วนความเชื่ออื่นศรัทธาแบบอื่นก็เป็นเรื่องของเขานะครับเราชี้แจงให้ฟังปัจจุบันเนี่ยมัน ผมมองว่าหมดความจําเป็นแล้วที่ต้องบาเอามาดีเบตกันว่าพระเจ้าคุณดีกว่าหรือพระเจ้าฉันดีกว่าหรือว่าอะไรดีกว่าเนี่ยมันพ้นยุคนั้นไปแล้วสมัยอ่อนคนสมัยก่อนทำก็ไม่ได้ว่าอาจจะมีความจําเป็นตามบริบทของสังคมแต่ปัจจุบันทุกคนทราบทราบความเชื่อกันหมดแต่ก่อนเราเผยแพร่เพราะมองว่าบางคนยังไม่เชื่อยังไม่ใช่ไม่เชื่อยังไม่เข้าถึงอิสลาม ยังไม่ทราบอิสลามเป็นแบบไหนเราก็เผยแพร่แต่ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันถึงกันหมดที่เขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ใช่เขาไม่ทราบเขาไม่เชื่อไม่ใช่ข้อมูลนี่มีข้อมูลนี่แต่เขาไม่เชื่อการดีเบตแบบถล่ม ก, กันไปถล่มกันมาพี่น้องนํามาซึ่งความเขยดชังเผยแพร่เพื่อตะอายุชเพื่อต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้เคารพในสิทธิ์ของมุสลิมเวลามุสลิมละหมาดมีมัสยิดเราก็ให้เกียรติในความเชื่อของเขาก็ต่างคนต่างศรัทธา แต่ถ้าวันไหนสนใจอิสลามพร้อมที่จะสอนให้บังคับไหมไม่บังคับน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ตามสภาพการปัจจุบันนะถ้าต่อไปเปลี่ยนแปลงก็ว่ากันไปในอดีตเป็นแบบไหนก็ว่ากันไปแต่ปัจจุบันมองว่าน่าจะเป็นแบบนี้อาจจะผิดพลาดได้เป็นทัศนะส่วนตัวของผมนะครับอา้าวนบีฮุดบอกว่าอินนารบีอัลลอิรัดิมุสตะกิม แน่แท้พระเจ้าของฉันนั้นทําไมเอย่ยอยู่บนทางที่เที่ยงตรงศิรอต้นมุสลิมคุณไหมคุณอยู่ในซีรอฟาติฮะอีดนนะัสซีรอตุนมุสลิมทางที่มันเที่ยงตรงนี่คือพระผู้เป็นเจ้ามุ่งไปหาผูเเา้เป็เจ้าแต่เพียงองค์เดียวและพระเจ้าอื่นข้างทางละ่ะไม่เอาออกจากทางที่ตรงวัตถุศักดิ์สิทธิ์อื่นๆละ่ะไม่เอาออกจากทางที่ตรงแล้วปูญาติยาที่ตายไปแล้ว เราจะกราบไหว้ได้ไหมให้เกียรติขอดูอว่าให้ดาแต่กราบไหว้ไม่ได้เพรากราบไหว้แล้วจะกลายเป็นพระเจ้าเอาอำนาจไปให้เดีย๋ยวปูญ่ญาติญาจะลงมาช่วยเอา้ามีอันตรายต่อรัทดาเราก็ไม่ออกนี่คือสิรตุลมุสตะกีนนะครับอักษณะอิสลามเป็นแบบเนี้ยที่บอกว่าเตาฮีเตาฮีเนี้ย ไม่ได้แปลว่าอลัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็จบนะอลัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วความเชื่อต่างๆกลับไปหาอลัลลอฮ์หมดเลยความศักดิ์สิทธิ์การดูแลการมีลูกการเจ้าพ่อปูกการขอความคุ้มครองไม่อยากให้สิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นขอความคุ้มครองจากใครกลับไปหาอลัลลอฮ์หมดนี่คือเตาฮีดซึ่งเนื้อหาก็มีเยอะแยะนะครับทยอยนําเสนอกันในอยะฮ์สุดท้ายในวันนี้ครับอายะฮ์ที่ห้าสิบเจ็ดอลลอฮ์ตัดไว้ว่านะครับ อโลอตัดคือกุรอานนะแต่เล่าบนบนคําพูดของน บ, บีฮุด ว, ว่าอินเตวันเลานบีฮูดบอกว่าพระเจ้าของพวกท่านอินนีบริอุลมินมาตุชริรกูลฉันไม่เกี่ยวข้องนะมันจะเป็นผู้ต่างภาคีแล้วฉันก็มอหมายต่ออโลออลอโลของที่เป็นพระเจ้าที่ฉันศรัทธานเนี่ยดูแลทุกอย่างดาบบัดินสิ่งมีชีวิตจะสี่ขาสองขาจะไม่มีขาอโลอดูแลหมดนะครับ แล้วก็ปิดท้ายเดี๋ยว่าฟาอินตะวันเราถ้าหากว่าพวกท่านจะผินหลังให้ก็คือไม่ฟังแต่หากจะยืนยันว่าวามานฮนูบิตาริกีอาเลฮัตินาฮูจะพูดยังไงกันแล้วแต่ว่ามานฮนูละกาบิมุมินีนเราจะไม่ศรัทธาจะไม่ทิ้งพระเจ้าของเราถ้ายืนยันแบบนั้นนฟะฟาอินเตวันเราถ้ายืนยันว่าจะหันหลังให้ในสิ่งที่ฉันสอนนบีฮูจะทำยังไง ให้ข้อมูลแล้วเผยแพร่แล้วถ้าคนไม่เชื่อทำอยังไงฟาก็อปแลกตูกุมมาอสซิตตูบีฮีฉันได้เผยแพร่พวกท่านแล้วในสิ่งที่ฉันถูกส่งมาหมดหน้าที่ฉันแลว้วส่งให้ฉันมเผยแพร่ามาบอกว่าเป็นยังไงวันนี้ทำหน้าที่ครบแล้วสารที่ให้ไปเนี่ยไปถึงพวกท่านแล้ว แต่ว่าถ้าพวกท่านผินหลังให้ไม่เกี่ยวว่าฉันแล้วเพราะฉันทำหน้าที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดกับพวกท่านมันคืออะไรล่ะวายสตักลิฟุรับบีเกาแมนรอยรกุ้มพระผู้พิบาลของฉันอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าเนี่ยจะนําอุมชนอื่นมาแทนที่พวกท่านยักสตักลิฟุแปลว่าทำไม่เป็นทำไม่เป็นคอลีฟะ ทำให้เป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินในสมัยนั้นกลุ่มชนอาร์ถือว่าเกียรไกลที่สุดเข้มแข็งที่สุดจะเป็นระดับตัวบุคคลที่มีความเข้มแข็ ง, ขงร่างกายในระดับชุมชนพวกอาร์ดนัมเบอร์วันบนหน้าแผ่นดินในสมัยนั้นนะหลังจากนาบีนุฮามาเนี่ยพวกอาร์ดเข้มแข็งที่สุดในยุคนั้นนะครับแต่ว่าถ้าพวท่านผินหลังให้เนี่ยไม่เชื่อใ น, ในสิ่งที่ฉันบอกอีสตักลีโฟรับีเกามันไก่กุ้ม อัลลอฮ์ก็จะนำกลุ่มชนอื่นมาแทนที่พวกท่านซึ่งหลังจากนั้นคือใครก็คือผู้สมุทรอาตุทูทาลายผู้สมุทรมาแทนอย่างที่บอกในตอนต้นอายะห์กอานตรงนี้ถูกส่งลงมาเนี่ยไม่ใช่เล่าให้ผู้มุสลิมศรัทธาฟังอย่างเดียวแต่ยังสื่อสารกลับไปผู้ที่ไม่ศรัทธาด้วยคือพวกมุสลิในนครมักกะ บอกเป็นนัยยะว่าวันนี้ถ้ายันผินหลังให้กับนบีมูฮัมหมัดเหมือนกับที่พวกอาดผินหลังให้กับนบีฮูดจุดจบเดียวกันก็คือยะสตักลีฟรบบีเกาแมนกับยากุม่มอัลลอ์จะนำกลุ่มชนอื่นมาแทนที่พวกท่านหลังจากนั้นอีสีปีเกิดสงครามบาดัดพวกมักกาเกิดความสูญเสียมีความแพ้แยแหลังจากนั้นต่อไปอีสปี เกิดการพิชิตมักกะมุสลิมดีถูขับไล่ไปเนี่ยมัถูกขับไล่ถูกบีพิชจร อ, อพยบออกไปกลับมาแล้วก็พิชิตมักกะถาเราลองคุ้มค่ามุเดียพิชจรรรกับิบชิมักกะเนี่ยเนอไก่อนเอ่อพชมักกะหลังครับผมครับผม อ, อะไรล่ะลืมะก็คือถ้าไม่ศรัทธา เอาล็อก็พร้อมที่จะเอากลุ่มชนอื่นมาแทนที่บนหน้าแผ่นดินซึ่งลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะถูกนําเสนอซ้ําไปซ้ามานาบีนัวก็เป็นแบบนี้แหละน้ําท่วมล้างไปพวกอาร์ตขึ้นมาเป็นคาลิฟาบนหน้าแผ่นดินแล้วก็ไม่ศรัทธาเดี๋ยวจะถูกล้างพวกสมุตขึ้นมาต่อเอาแล้วถูกล้างพวกไหนล่ะกลุ่มชนนบีรุดขึ้นมาต่อกลุ่มชนนบีชูไอขึ้นมาต่อฟิราอ์ขึ้นมาต่ อ, อ, ตอแล้วก็โดนแบบนี้หมด สารแบบนี้เนี่ยเวลาพูดให้พวม้มาก้าฟังฟพอะวัติศาสตร์ผู้มากาทราบนะเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ตั้งคาถามกับตัวเองว่าจะเกิดอะไรกับตัวเองเหตุการณ์เป็นเหตุการณนบีฮูดแต่เวลาสื่อสารเนี่ยสื่อสารให้ผู้ศรัทธาด้วยแล้วก็สื่อสารให้ผู้ที่ตั้งภาคีคือพวม้มาก้าให้ฟังด้วยนะครับนอกจากนี้นบีฮูดยังกล่าวว่าเวลาตัดูรูนาหูชัยอัน ทำไมเอ่ยพวกท่านนั้นไม่สามารถที่จะทําอันตรายต่อพระองค์ได้เลยหมายความว่าการที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ก็ไม่ได้แปลว่าทําให้อัลลอฮ์เป็นตื่นไม่ใช่เจ้าหรือว่าคนทั้งหมดรวมตัวกันไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทําให้ความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์น้อยลงหรือว่าจะรวมตัวกันทั้งหมดมนุษย์แล้วก็ยินกราบไหว้สิ่งหนึ่งไหว้ทุกวันไหว่ยอย่างสม่ําเสมอก็ไม่ได้ทําให้สิ่งนั้น มีอํานาจกายเป็นเจ้าแทนอัลลอฮ์ได้วลาดรูนหูชัยอันไม่ส่งผลเสียใดๆต่ออัลลอฮ์เลยศรัทธาไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าของฉันและก็เป็นพระเจ้าของท่านด้วยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอินดารอบบีอัลากรุนดิชัยอินฮาฟิสทำไมเอ่ยแท้จริงพระเจ้าของฉันนั้นเป็นผู้ที่ฮาฟิสเป็นผู้ที่ดูแลเป็นผู้ที่บิดทักษ์ทุกสิ่ง ดูแลฉันด้วยในฐานะที่เป็นศาสนาทูตถ้าพวกท่านฟักีดูนีจะมีอันพวกท่านทั้งหมดและกับพระเจ้าของท่านทั้งหมดจะมาทำอันตรายต่อฉันก็ทำไม่ได้เพราะว่าอินรับบีอลากุญชาอินฮาฟิสพระผู้ที่ปกป้องฉันมีอำนาจจริงๆเนี่ยคืออัลลอฮ์ปกป้องฉันเช่นเดียวกันพวกมักกะตอนนี้ทาอันตรายต่อผู้ศรัทธา หวังง่วงจะขัดจัดอบีกับผู้สันตาให้บทประจกหน้าแผ่นดินถ้าอาลัลลอฮ์ประสงค์มันกล้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าอาลัลลอฮ์ไม่ประสงค์อลัลลอฮ์ประสงค์จะพิทัก์ฮะฟิสในเป็นคุณลักษณะหนึ่งของอลัลลอฮ์นะถ้าอาลัลลอฮ์ต้องการจะพิทักษ์จะปกป้องสิ่งไหนอะไรก็ทําอันตรายไม่ได้เพราะเราเชื่อแบบนี้พี่น้องวันนี้เราจึงขอดุอากันพี่น้องนี่เป็นเรื่องเตาฮิดเหมือนกันพี่น้อง เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะมีพระ น, นามคือฮาฟีสเป็นผู้ที่ปกป้องฉะนั้นวันนี้พี่น้องมุสลิมจะเป็นโรฮิง ญ, ญาจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ได้รับการทําร้ายเราศรัทธาว่าลลอฮ์มีคุณลักษณะแบบนี้เราจึงขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ให้กับพี่น้องมุสลิมที่ช่วยได้ก็ช่วยในขณะเดียวกันเราก็ศรัทธาวาลลอฮ์ให้ความคุ้มครองได้เราจึงขอดุทิศมันเกี่ยวข้องกันถ้าวันนี้อลัลลอฮ์ไม่มีลักษณะแบบนี้ เราก็ไม่ต้องขอดุทิศต่อ Allah เพราะ Allah ปกป้องไม่ได้ Allah ปกป้องไม่ได้ a l ะ a h ก็จะไม่ใช่เจ้ามันจะติดมันจะเป็นผลพวงติดไปหมดแต่เราเชื่อว่าล l l a h มีคุณลักษณะอำนาจที่สมบูรณ์ไม่มีอำนาจอืน่นใดมาเทียบเคียง Allah และ Allah All, ก็ฮาฟิซเป็นผู้ที่ปกป้องถ้าพราะองค์ทรงประสงค์เราศรัทธาแบบนี้เราจึงขอดุทิศต่อ Allah ให้ปกป้องีอิมามมุสลิมที่ได้รับการ ลุกลาดนะครับการทารุณในพื้นที่แลหลายพื้นที่ในโลกเพราะเราศรัทธาแับ น, นี่เราต้งขอดหนุ่มนะครับในขนาดเดียวกันความช่วยเหลือที่ช่วยได้จะเป็นด้านไหนกันแล้วแต่จะเป็นทรัพย์สินหรือว่าคนที่ลงพื้นที่จริงๆไปช่วยจริ ง, รงมีไหมมีนะมุสสินที่ไปลงช่วยโรฮิง ญ, ญาที่มา อ, อพยพมาที่ไทยเนี่ยช่วยมาตลอดมันมีช่วงแรกๆที่เขาช่วยกันแล้วก็ความช่วยที่มาเยอะมากกระแสมันบูมจนกระทั่งต้องปฏิเสธความช่วยเหลือเพราะมันเยอะ หลังๆพอข่ามันสาคนก็นลืมไปโรฮิงญาม่ไจะอยู่ที่บาม่าอยู่ที่เป็นประเทศอย่างเจ้านะั้นอยู่ที่ไทยเนี่ยหลักหมืน่นแต่ก็กระแสมันซาคนก็นลืมไปคนที่ทําหน้าที่ชื่อเหลื อ, อยังทําหน้าที่อยู่นะครับอันนี้คือส่วนที่ทําได้กว่าทำแล้วก็อย่าลืมดวอาเพราะเราศรัทธาว่าอัลลอฮฺฮะฟิซอัลลอฮ์ผู้ที่สามารถปกป้องได้อัลลอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺะัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ ปัจจุบ